มันลาบากเหมือนกันหายใจร่วมสังขารนั่นคือเรียกว่าสัางขารภายนอกสังขารภายในมีกายสังขารวิชีสังขารมนุสังขารสรังขารเหล่านี้ก็ไม่สมประสงค์ของความปา่าเถื่อนเหมือนกัน สมุทรปราาสดาซ้อนอภิจารณาสัาสงขารก็คือให้เบื่อหน่ายสังขารทางปวงให้เอาไปสังขารไปภายในพานด้วยสังขารที่มีใจคลองแล้วมันมีใจคลองก็เหมือนกันสังขารภายในภายนอกก็เหมือนกันสังขารภายในเรียกว่าอัชตาสังขารเรียกว่าสังขารภายใน มีกายย่งสังขารมีจีสังขารมโนสังขารเหมือนตน้นสังขารภายนอกที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็อันเดียวกันซอนให้เบื่อหน่ายซอนให้คลายมอาหมดสอนในถอนอะไรหมดความเห็นโทษในสังขาร ก็คือเห็นโทษในอวิชชาก็คือทำลายอาวิชชาสังคารทางหลายมีอเนจังผูกขาดมีทุกสัมพยุทธผูกขาดด้วยมีอนัตตาไฟทุกผูกขาดด้วยสัมะยุทธกันอยู่ เจ้าสามคันสุอนิทะกัจัญญาเธอทั้งหลายจงเบื่อหน่ายในสังขารดังฟูงเถิดบรุรุมัสสาตราสังขารก็คือโลกโลกก็คือสังขารสังขารโลกโลกคือสังขารสังขารที่มีใจกลองแล้วไม่มีใจกลองสังขารที่มีใจกลองมนุษย์ โลกโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่สัตว์โลกโลกที่โลกอาศัยอยู่เทวโลกชะกิกามาพั จ, จรหกชั้นพรหมโลกรูปประภมเจ็หกชั้นกับอรูปประพ ม, ปปะพมสี่ชั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสรังรงคาญฝ่ายรูป สิ่งที่ปรุงแต่งแท่งสังข์ขึ้นเช่นรถเรือไฟฟ้าเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองเกี่ยวแต่เฉพาะธาตดินน้ำไฟลมเท่านั้นรถก็เหมือนกันเรือก็เหมือนกันเครื่องยนต์กลไกก็เหมือนกันไม่มีวิญญาณสังขารเหล่านี้ ก็เกิดขึ้นหน้แปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันมีอนิจจังเป็นผลลัพธ์เพิมทุกข์สัมะยุดด้วยสิ่งไหนที่บัญญัติว่าสังขารสิ่งนั้นก็มีอนิจจตา ทุกขตาอนัตาตาอยู่ในตัวถึงแม่สิ่งที่ไม่มีวิญญาณเขาจะไม่รู้ตัวก็ตามด้วยญาณสัพยุตที่ปัญญาและสติมองเห็นพระบรมศาสดารสรเขาาัจว่าเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่เทียงท้าว่าสิ่งไหนหมายถึงสังขารที่มีใจกองและไม่มีใจกอง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเช่นต้นไม้พักหญ้าที่เกิดขึ้นผิดตามสภาพเดิมแดดเผาก็เฉ า, า, เาไฟไหม้ก็ไหม้ไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นผิดปกติพิสภาพที่ตั้งอยู่ ก็จะว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์หมดํา่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หมายถึงมีมีใจคองแล้วไม่มีใจคองถึงแม่สิ่งเหล่านั้นจะไม่รู้ตัวเป็นทุกข์ก็าตามก็จะเป็นทุกข์หมดเมื่อพิจนารนณาทุกข์เป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาอาน้จังเป็นอารมณ์ หรือมีพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์ก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อให้เบื่อหน่ายอ น, นิจจังเพื่อให้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายอ น, นิจจังก็เบื่อหน่ายทุกครั้งอยู่ในตัวก็เบื่อหน่ายอนัตตาอยู่ในตัวนานาทาตุญานังพระบรมมัสสดารูธาบต่างๆ ธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีพระนิพพานธาตุอรหัตธาตุก็คือพระนิพพานธาตุนิพพานธรรมนิพพานขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันคำว่าขันไม่ได้หมายความว่าแต่ขันในรูปขันนามขัน นอกอุปขันนาขันไปก็ปัญญาประขันเหมือนกันมีมุติญาณในทัศนาขันมียานพิเศษรู้ว่าหลุดพ้นั น, นั้นเป็นวิมุติญาณในทัศนาขันวิมุติขันหมายความว่าหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วมียานพิเศษออกไปอีกว่าหลุดพ้นก็วิมุติญาณในทัศนาขัน สาระห้าก็เรียบเพราะเป็นแก่นเป็นสารในทางที่ไม่เกิดไม่ดับอินซีก็เหมือนกันอินซีแปลว่าเป็นใหญ่ต่ำกว่าพันิพันลงมาเป็นอินซีที่เกิดที่ดับโลกุตระอินซี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 เป็นธรรมายทัณะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นปัญญาวิมุตติที่ไม่เกิดไม่ดับหรือเป็นเจโตวิมุตติที่ไม่เกิดไม่ดับวิมุตติในปัสสาวะบัณเป็นวิมุตติรุดพ้น สังโยชน์สามสักษาคามีก็เหมือนกันแต่ว่าเบากว่ากันอนาคามีสูงไปกว่ากันอรหัน ห, หมดภระเป็นวิมุติเต็มภูมิ ที่นี่ต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกีนั่นไม่ได้หมายว่าวิมุตถ้าทางคามิมุตพ้นช่วคราวจัดเป็นโลกีมีคมพนาวิมุตพ้นดนวยสะกดไว้เหมือนซีลาทับยา่าก็จัดเป็นโลกี นิทาณะวิมุตต์พ่นด้วย อ, อกออกไปพ่นด้วยหลีกไปพ่นด้วยขาดไปปฏิบัรสัตทิวิมุตต์ส ม, มุติเฉทเทวิมุตต์พ่นด้วยเด็ดขาดวิมุตต์สองข้อเบื้องปลาย เป็นโลกุตระสามข้อเบื้องต้นเป็นโลกีพวกสาสนาอื่นๆเขาก็เรียก ว, ว่ามิมุตเหมือนกันแต่มันเป็นโลกีมันกำเริบขึ้นเป็นกุปปธ ร, รรมเป็นกุปปาท่า พอกำเริบขึ้นมิมุตในพระสวดบาวันี่กกำเริบขาดไปต่อเป็ น, นตอนๆไปเนี่ยเปขบุดคืนมิมุตในสักคาคามีอนาคามีเปรีหมือนกันมิมุตในพระรหัน จบว่าจบจบบริบูรณ์แม่กำเลิบทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยบุคคลผู้มียาว่าเบื่อหน่ายใครเมาในสังขาญทางปวง กล้วก็รุดพ้นจากสังขารทางปวงโดยสิ้นเชิงไม่เหลือสิทธิ น, นั้นเป็นวิมุตในทางโลกุตระวิมุตทางปวงที่เป็นโล ก, กีเป็นเมืองขึ้นของ รัถึงไม่เป็นบ้านเป็นเมืองก็ตามก็เปรียบเหมือนบ้านเหมือนเมืองเพื่อเข้าใจง่าด เนี่ยเทนนี่จึงให้ภาวนาสังขารก็เพราะหลงสังขารที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองก็ต่างคนก็ต่างยึดถือเอาของใครของมันความเป็นจริงสังขารเป็นของว่าไม่ได้อยู่ในวงแขนของใครทฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เป็นของว่าก็อันเดียวกับสังขาร สิ่งที่ไม่ยอมให้ว่าก็เป็นเรื่องของโมหกิเตอันมีใจหลงไปยึดถือต่างหากจึงได้ยืนยันว่าของเราของเขาของสัตว์ของบุคคลได้ได้เสียเสียเหตุเหตุกรรมกรรมวิบากผลของเหตุผลของกรรมพ้นของวิบากโอนกันอยู่ เพราะเหตุใดก็เพราะมีอุ ป, ปทานเข้าไปยึดถือเมื่อมีอุ ป, ปทานเข้าไปยึดถือก็เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นเวรบากวนกันอยู่เหตุไหนจึงไปยึดถือก็เพราะอาวิชชามีกําลังโมหะมีกําลังสติปัญญาไม่แข็งแกร่งสติปัญญาเหนืออวิชชา เนื้อความโง่จึงสามารถจะสู้รับขบกัดกับความโง่ของแต่ละลายละลายได้ความปฏิบัติชัดความรู้ชัดความรุ่พ้นชัดจึงจะไม่ขบคืนทัศนานุตริยะเห็นเยี่ยม ปฏิปทาโนตเรียปฏิบัติเยี่ยมนิมุตตานุตเริยะความพ้นก็เยี่ยมเห็นเยี่ยมเฉยๆปฏิบัติไม่เยี่ยมก็ยังมีอวิชชาตัญหาอุปท า, านอยู่อีกทั้งเห็นเยี่ยมด้วยทั้งปฏิบัติเยี่ยมด้วยทั้ง ร, รุดพ้นเยี่ยมด้วยเหตุฉะนั้นพกรามศาสตราจึงยืนยันว่าเราไม่ถือว่าบุคคลผู้มี ผู้บริสุทธ์ด้วยผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นข้อวัตรเบื้องต้นให้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นรู้อาหารเห็นว่าอาหารแต่ยังไม่ทันดื่มแต่ยังไม่ทันเคี่ยวแต่ยังไม่ทันทานยังไม่ทันกิน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 เป็นธาตุ อ, อ, าอีกรอบหนึ่งเหมือนกันคือวายโยธาเป็นธาตุลูกอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าลูกวารลมเข้าลมออกผู้ลูกที่มีอุปทาน ที่มีผู้เขาไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้ลูกอันนั้นก็ยังมีอวิชชาตัญหาอุปทานยึดถืออยู่ <c oughs> นอนหนุสระอุกน่นไปเลยพิงนอเคยไปเคยมา ใครเป็นผู้ลูกอนิจจังใครเป็นผู้ลูกทุกขังใครเป็นรูกผู้รูกอนนาตาที่กลมกลืนกันพร้อมกันในขณะเดียวทั้ง3มการลูกอนิจจังเขเท่ากับว่าลูกทุกขังก็เท่ากับว่ารูกอนนาตารูกอนาอนาตาก็เท่ากับว่าลูกอนิจจังเขเท่ากับว่ารูกทุกขงัง ลู่ทุกครั้งก็เท่ากับวา่าลู่อนัตจากับเท่ทาลู่เท่ากับวา่าลู่อนิจจังมันดึงกันอยู่เห็นหน้าก็คล้ายๆกับว่าเห็นตาเห็นจมูกอั น, นเดียวกันอยู่ที่แห่งเดียวกันสะสประยุทธ์กันอยู่เห็นหนังก็เห็นเนื้อเห็นเอ็นเหมือนกัน เพราะอาศัยซึ่งกันและกันเห็นดินก็เห็นนา้าเห็นไฟเห็นลมเหมือนกันเพราะมีเพราะธาตุดินน้าไฟลมเป็นฝ่ายรูกเป็นฝ่ายรูกขันดินเป็นธาตุชนิดที่แข็งน้าเป็นธาตุชนิดที่ซึมซาบ ลมเป็นธาตุชนิดที่พัดไปมาไฟเป็นธาตุชนิดอบอุ่นจนถึงร้อนจนถึงเผาให้ไหม้ดินน้ำไฟลมแยกกันออกเพื่อให้รู้ชัดแต่ความเป็นจริงมันสัมะยุตกันอยู่ เล็กไฟฉายก็มีทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมสัมะยุตกันอยู่ลมก็อยู่ที่ช่องว่าเรียวอากาศธาตุที่น้ำที่สัมะยุตอยู่กับไฟฉาย ถ้าเผาจนหาไหมก็สามารถไหลเหมือนกันธาตุไฟเอาไฟฉายต่อไฟสายสีกันก็เกิดร่อนขึ้นเหมือนกันถ้ามีความอบอุ่นไม่ไมไมทีธาตุอาร้่อนอยู่ที่นั้นดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีเป็นของว่างอยู่ตามธรรมชาติของว่างอยู่ตามสมมุติ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 เกิดเป็นของมีราคาห่วงห่ว ง, วงเข้าเป็นสมบัติพัานาจะอาไซอันนี้จังอนิี้จังก็เป็นของไม่เที่ย จะอาศัยทุกข์ก็เป็นผลของอนิจจังจะอาศัยอนัตตาก็เป็นผลมาจากทุกข์อีกเหมือนกันเพาลึกกว่ากันลงไปอนิจจังเปรียบเหมือนหน้าบอ่อที่ขุดตื้นทุกครั้งขุดลงไปลึกกว่านั้น อนัตตาก็ขุดลงไปลึกกว่านั้นเป็นบ่ออันเดียวกันเป็นเพียงขณะกจิตเห็นลึกกว่ากันเท่านั้นเพราะโยงกันทำไมถึงว่าอนัตตาเพราะแย่งต่ออัตตาทำไมถึงว่าทุกข์เพราะมาอยู่ตามสภาพเดิม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 เขาได้ผ่านมาในมาเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยไม่ได้เป็นเปรตเศร้าอดีตไม่เป็นเปรตเศราอนาคตไม่ได้เป็นเปรต้าปัจจุบันด้วยทําไมถึงพิจารณาร่างกายก็เพราะมันหลงร่างกายมันหลงยึดถือเอาดินน้าไฟลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุคคล ความหลงใหญ่ๆมันมีอยู่สี่อย่างหลงสิ่งที่ไม่สวยว่าเป็นของสวยหลงของตระกูลว่าเป็นของสวยของเป่วยเน่าว่าเป็นของสวยหลงว่าเป็นของเที่ยงด้วยดวยววว้วว่าเป็นตัวหลงว่าเป็นตัวเป็นตัวด้วย นี่ปัญหาสกะนี่ปัญหามีความเข้าใจผิดสี่ข้อที่ผูกมัดรัดลึงสัตว์ทั้งหลายอยู่เพราะแก้ปัญหายัางไม่ตกทำไมถึงมีปัญหามากทำไมถึงท่องเที่ยวในปัญหามาก เพราะการขัดข้องต้องการเพราะยังไม่เมื่อไม่นายไม่คลายปัญหาก็มากเพราะยังไม่เห็นโทษพอปัญหาก็มากเมื่อเห็นโทษโทษในการยึดถือปัญหาก็ม่มากเมื่อเห็นโทษในอุ ป, ปาทานเมื่อเห็นภัยในอุปปาทานอุ ป, ปาทานเองนาเจตาสา เห็นภัยในการยึดการถือแล้วอวทชาก็เบาลงตัณหาก็เบาลงความทะเยอะทะยานในโลกทั้งปวงก็เบาลงทุกทั้งหลายก็เบาลงส่วนที่จะขาดมันขึ้นอยู่กับปัญญาและสติที่เห็นชัดหรือไม่ชัดเห็นชัดด้วยรู้ชัดด้วย ปฏิบัติชัดด้วยพ้นชัดด้วยสังขันไม่มีข้างหน้าข้างหลังไม่อยู่ทุกการศรีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกการ เวลาพิจารณาอนิจจังอยู่ก็ดีทุกอยู่ก็ดีพิจารณาทุกอยู่ก็ดีพิจารณาอนัตต า, าอยู่ก็ดีพิจารณาคุณของโมพุทธพระธรรมประส ง, งค์กลมกลืนกันอ ย, ววยู่ก็ดีนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญานั่นคือตัวสัมมาทิฏฐิในชั้นนั้นสัมมาทิฏฐิเพราะพระโสดาบัน เป็นโลกุตละสมาธิฏิสมมาธิฏิของพระสกทาคามีสูงไปกว่านั้นละเอียดกว่านั้นสมาธิฏฐิของพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกเยียบขาดไปกว่านั้นอีกสมาทิฏิของพระอรหันต์เป็นมหาสมาธิฏิเห็นชอบแล้วเห็นชอบในการรุดพน้นแล้ว เห็นชอบในการปฏิบัติมาเหมือนกันเห็นชอบในอริยสัจสี่ชัดแล้วทุกเป็นของกำหนดรู้ค็รู้แล้ ว, วก็ได้พิจนาแล้วก็ได้ละแล้วสมุทยัยเป็นของควรละพอได้ละแล้วนิโรธ เป็นข้อควรทาให้แก้งก็ได้ทําให้แก้งแล้วมักเป็นข้อปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแล้วสัจยาติยาติชาอย่างรูอริยสัจจิตญาณก็บริบูรณ์แล้วกัตญาณได้ทําเสร็จแล้ว ยาตปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีลนะนปริญญากำหนดด้วยการพิจารณาปหานะปริญญากำหนดด้วยการคลายเมาเสียมันก็เป็นธรรมจักปรปวัตตนสูตรอยู่ในตัว มาจากกะพะวัฒนสูตรก็มีรูปขันนามขันชาติพิทุขาชาลาพิทุขามรณะปิทุขังเป็นรูปขันแล้วโสโกระปริเทวทุกโทมนัดอุปายาสาพิทุขาอเปยสัมปโยโคตโโุโคพเปยสัปโยโคตุขคยมปิจชังนะปฏิรามพิทุขังอันนี้เป็นนามขันที่อิงกิเลส เมื่อนาขันอิงเกลิมันก็ไปอิงกับรูปขันอีกเหมือนกันมันก็ไปยึดรูปขันอีกเหมือนกันหรือจะว่ารูปประทัดอารูปประทัดก็ถูกรู้จะว่ารูปประธรรมอารูประธรรมก็ถูกรู้จะว่ารูปขันอารูปประขันก็ถูกหรือจะว่ารูปประอินทรียอารูปะอินทรียก็ถูกเพราะเป็นใหญ่ในรูปเพราะเป็นใหญ่ในนาม เป็นใหญ่ได้เพียงนั้นแต่ใครเป็นเป็นเจ้าของรูปแต่ใครเป็นเจ้าของนามนามและรูปอยู่ในวงแขนท่านผู้ใดนามก็เป็นแต่สักว่านามอยู่ตามเดิมรูปก็เป็นแต่สักว่ารูปอยู่ตามเดิมตามเป็นจริงตามเป็นจริงของธรรมชาติ สมมุติก็เป็นจริงตามสมมุติวิมุตต์ก็ตามเป็นจริงของวิมุตต์แต่สมมุติอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครเป็นเจ้าของสมมุติวิมุตต์อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครเป็นเจ้าของวิมุตติมันก็โดยในเดียวกันเหตุฉะนั้นจึงตวงกับควมว่าสเพธมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดอก คือทั้งหลายจงในความเมาความหลงของตนเสียบลงมาศาสตราทีนี้อนัตตะรคณะสูตรทีนี้รู ป, ปังอนิจจังหมายถึงนีนามไฟโรมสุกันเป็นกายเดียวกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเวีย ญ, ญาณก็เป็นนามก็มีรูปกับนามเหมือน ก, นกันกับธรรมจักกัปวัตตนสูตร ทนีอาทิตะปริอาทิตะปริยายสูตรตาหูจมูกกลิ้นกายจัดเป็นรูปขันใจจัดเป็นนามขันราคขณนาโทสักขณนามหคขณนาเกิดขึ้นเพราะยึดเพราะเพะยึดถือรูปขันนามขันก็มีความหมายอยันเดียวกันจะ <c oughs> เกิดเป็นไฟขึ้นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะขึ้น มีความหมายอันเดียวกันเป็นไฟแต่อาธิตะปริยา ย, ยสูตรหรืออ น, นันตตลักณะสูตรไม่เป็นไฟหรือถา้ถากําหนดรูปถ้ายึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณก็เป็นไฟอยู่ในตัวเหมือนกันเาไฟราคะไฟโตตะไฟโมหะอันเก่าถ้าไม่จักกับวัตนนสูตรเหมือนกัน กรรมาฐานในพระพุทธศาสนาถึงจะมีมากมายเป็นกายเป็นของก็าตามรวมเข้าลงมาก็มีลูกกรรมาฐานอรลูกกรรมาฐานเท่านาั้นฐานสองอย่างนี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วเกิดขึ้นแนบเรียบปวดแลนนแตกสลายเมื่อพี่นาะเห็นอนิจจัง ก็ต้องเห็นเสมอหน้ากลองเหมือนกันไม่ไหวหน้าใครเลยไม่ยกเว้นชั้นวันนะเมื่อเห็นทุกเมื่อพิจารณาทุกขก็ต้องเหมือนหน้ากลองเสมอภาคกันหมดเมื่อพิจารณาอนัตาก็ต้องเสมอภาคกันหมดเป็นของว่างทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งสมมติด้วยทั้งย่อมุติด้วย มิมุติก็มาได้อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดสมมุติก็มาได้อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดก็อันเดียวกักบสังขารและวิสังขารมาอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดทำไมฉันสูงนี่เหตุฉะนั้นสติปัฏฐานสี่กายานุปัสนาเวทนานุปัสนา ที่เจนากายเป็นอารมณ์เป็นจต่สักว่ากายที่เจนาเวทนาสุขทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์เป็นแต่สักวเวทนาเพราะเป็นของว่ารูปก็เป็นของว่าเวทนาก็เป็นของว่าที่สัญญาสังขารวิญญาณทีนี้จิตก็ดีทำที่เป็นคู่กับจิตก็เป็นของว่าเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มี แต่สิ่งที่ไปยึดถือก็เพราะเหตุได้็เพราะยังหลงอยู่จึงไปยึดถือเพราะอำนาจของความหลงมันเป็นเพราะหรูระกกรรมกับชินมานานหลายพบหลายชาติมหาสติมหาปัญญาแม่แข็งแกร่งมันก็ไม่หลุดไปมันก็ไม่ขาดไปจัดทั้งหลายกวนเวียนกันอยู่ วัต ว, วันสามกิเลสเกิดขึ้นเขาพาให้ทำกรรมกรรมเกิดขึนข้นเพราะในรับวิบากของกรรมเมื่อรับวิบากของกรรมแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นอีกกิเลสขึ้นด้วยเราด้วยเขาด้วยสัตว์ด้วยบุคคลเองด้วยความยึดถือด้วยอุปทาน รูปเสียงกิ่นรสผลิตภัพฑ์ธรรมงก็อันเดียวกันถ้าไม่ไม่มีใครเป็นผู้ยึดถือเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็ไม่เป็นพิษกิริยาที่ไปยึดถือก็ไม่เป็นพิษเป็นกิริยาที่ไม่มีความหลงสำ ป, ประยุทธ ความทะเยอทะยานในรลกทางปวงก็คือทะเยอทะยานในรูปกำน้ำนั่นเองก็คือทะยานในดินน้ำไฟลมนั่นเองก็คือทะเยอทะยานในเวทนาสัญญาสังขารหยินหยานนั่นเองคนวางความปล่อยก็ปล่อยอันนี้ ปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหามันก็น้อยลงปฏิบัติเพื่อราบเพื่อยศเพื่ออะไรต่ออะไรปัญหาความมากขึ้นเมื่อปัญหาน้อยลงก็แก้ง่ายสติปัญญาก็เกิด เ ม, มื่อเมื่อนุ่งมุ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติอยู่ปัญหาข้แก้ยากถ้ามุ่งนิพพานสมบัติแห่งเดียวปัญหาก้แก้ง่ายเพราะปัญหาน้อยเบรกของเบาทิ่งง่ายด้วยมีหลักอันในที่จะปรารถนา มีหลักอันใหนที่ไม่พอใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นหลักก็เพราะมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติก็มีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยทั้งอยู่ในอำนาจลาชนาของใครด้วยเนี่ย อนัตตาในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองทางไม่เหมือนอนิจจังกับทุกขังท่านิพพานมาได้บัญญัติว่าอนิจจังทุกขังบัญญัติอนัตตาสิ่งเดียวอนัตตาธาตุอนัตตธรรมอนัตตขันคือวิมุตติณนัชชนขันแล้วไม่บัญญัติว่าจิตด้วยเพราะเหลือวิสัยที่จะบัญญัติแล้ว สัพพาเสสนิพานบัญญัติว่าจิตอยู่เพราะพระรหันมีชีวิตอยู่อาศัยขันธิบากคอแบบอยู่เมื่อสิ้นลมปรานแล้วก็ไม่บัญญัติว่าจิตทีนี้พรเหลือวิสัยที่จะบัญญัติพราะกลายเป็นธรรมอันไม่ตายไปแล้วเป็นอมตะธรรมไปแล้ว เปนอตาาททมตะธาตุธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับทำที่ไม่เกิดไม่ดับอินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับขันที่ไม่เกิดไม่ดับนิพพานขันนิมุตติานะทัศนคันจะ ร, รู้อยู่หรือไม่อานุปาทิเสสนิพานจะปรากฏรู้อยู่หรือไม่ท่านผูกเข้าแล้ว ท่านผูไปถึงพระนิพพานท่านปรากฏรู้อยู่หรือไม่ถ้าปรากฏรู้อยู่มันก็เป็นนามขันทีนี้มันกลายเป็นธรรมใชแไหมไม่เป็นหน้าที่จะมาบัญญัติว่ารู้ไม่เหมือนไม่เหมือนสาวุปาทิเสสนิพพานที่ยังคลองขันอยู่จะบัญญัติวา่าตั้งอยู่ที่ไหนก็ไม่ถูกทั้งนั้น พอหมดบัญญาติไปแล้วพอหมดสมมติไปแล้วพอหมดที่ตั้งไปแล้วเปลวไฟอันกําลังลมเป่าเมื่อดับไปแล้วก็ไม่เป็นหน้าที่ว่ายืนยันว่าเปลวไฟจะไปตั้งอยู่ที่นั่นที่นี่หรือควันของเปลวไฟก็ดีหรือเชื่อของเปลวไฟก็ดีอืม mm. เอสวัฏโตทุกขจักเป็นที่สุดแห่งความทุกข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 ผู้รู้ต่างหากนิพานต่างหากนิพานไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่พระนิพานเป็นของเหลือวิสัยที่จะคาดคันเหตุดาวดนแต่เป็นของไม่เหลือวิสัยของท่านผู้หลุดพ้นแล้วของนักบวชแต่เป็นเหลือวิสัยของผู้ที่พวกเรายังไม่หลุดพ้น าพวกเราหลุดพ้นแล้วก็เป็นของไม่เหลือวิสัยถ้าหากว่าเป็นของเหลือวิสัยการวางพระพุทธศาสนาก็เป็นโมฆ ะ, ะที่พ้นไปแล้วก็มากกว่าไมธีเมธชาในท้องมหาสมุตสีมหาสมุรทรทาไมถึงมีผู้พ้นไปได้ก็เพราะมันไม่เหลือวิสัยของผู้สร้างบารมีเสียกล้ามา ผู้มีบารมีอ่อนก็เป็นของเหลือวิสัยผู้มีกำลังมากก็แบกของหนักได้ผู้มีกำลังน้อยก็เป็นของเหลือวิสัยแต่ไม่เหลือวิสัยของผู้มีกำลังมากกำลังสติกำลังปัญญา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 สัตว์ทั้งหลายผู้ยังเป็นโลกีกับผู้ที่จะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันก็อันเดียวกันกับผู้ที่หยอกเงาตนเองมันก็อันเดียวกันเราวิ่งเงาก็วิ่งเราทำท่าเงาก็าทำท่าเร า, า, าเหนื่อยเงาเงาก็เหนื่อยเรานอนเงาก็านอนเร า, า ป, ปิน้นป้อนหลอกลวงเท่าไรเงาก็ปิ้นป้อนหลอกลวงเหมือนกัน ว่าโลกกลมมันก็กลมเพราะมันหมุนอยู่ส่วนโลกห ย, ยาบๆคือแผ่นดินมันก็หมุนอยู่ส่วนโลกภายในคือจิตตาสังขารมันก็หมุนไปหารัก้าชางหาหลงวนเวียนนึกคิดความตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกถ้าตึกไปในทางถูกก็เป็นมัตรเป็นผลของมัตรถ้าตึกไปไปในทางผิด ก็เป็นเมืองขึ้นของนากถ้าตึกไปในทางถูกก็เป็นเมืองขึ้นของมรคของผลส่วนที่จะเป็นโลกีหรือโลกุตระแี่แต่ปัญญาสมปยุทธของใครของมันจะเห็นชัดด้วยตนเอง ถ้าหากว่าทังขานทั้งหลายมีประโยชน์เท่าเม็ดพันผักกาดหรือเท่าปลาย เ, ยเล็กแหลมพระอริยเจ้าก็ละสังขารไม่ได้ก็ะจะไปะแอบกินอยู่ที่นั้นวิญญาณไปที่ส่นที่จะไปะแอบอยู่ที่นั้นเห็นว่าเป็นภัยเลยพระยาตูปัญญายานเห็นสังขารปรากฏเป็นของอาตูกลัว ที่สังขานุปัสนายานก็พิจารณาทางที่จะหลุดออกเทานั้นสังขารนุเปกขายานก็วางเฉยพักชั่วข่าวแต่ไม่ติดอยู่เพราะงานยังไม่แล้วสัจจานุโรมิกะยานก็พิจารณาอาริยัตสัจสี่ เราได้เจริญตอนไหนบ้างได้ทำให้แก้งแล้วหรือยังได้เจริญทห้ยิ่งแล้วหรือยังในรู้แล้วหรือยังได้หลุดพ้นไปแล้วหรือยังหลุดพ้นไปเป็นดันตอนอยางอะไรอีกบ้างหรือหลุดพ้นไปทั้งหมดเหยียบเล็บความหลงของตอนได้ชั้นไหนบ้าง หรืเหยียบเรียกของตนได้หมดแล้วชนะตนแล้วชนะความหลงของตนแล้วหรื อ, อยังอันนั้นเรียกว่าตวดอริยสัจสี่ไม่ใช่ตวดตามป ร, ริยัตทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นของผลผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธไม่ใช่จำจำได้เฉยต้องตรวจอยู่ ในจิตในใจของตนจริงๆนั้นมีเครื่องทดสอบอยู่ทุกๆประการเราปฏิบัติมานานราคะกระทบเราขนาดไหนหรือไม่มีเสียเลยหรือเบาไปแล้วโทสะกระทบกระเทือนเราขนาดไหนหรือไม่กระเทือนเลย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 ทดสอบตนเองตนยังสงสัยอะไรในโลกตนยังหวังอะไรในโลกตนหวังอะไรในสังขารหรือตนไม่หวังอะไรในสังขารเป็นหน้าที่ของเราจะตอบเราเองเท่านะั้นคนอื่นตอบให้บางทีก็ให้คะแนนเกินไปบางทีก็บุกเกินไป ทมสันทิษทีโกเป็นสันทิษทีโกทั้งพ้นและไม่พ้นเมื่อไม่พ้นก็รู้ว่าไม่พ้นก็เป็นสันทิษทิโกอันหนึ่งเมื่อรุดพ้นไปเป็นตอนก็เป็นสันทิษทีโกอันหนึ่งเมื่อรุ้พ้นไปหมดจนสิ้นเชิงก็เป็นสันทิษทีโกถึงสามสี่ชั้นครบมรคครบผลมรคเหตุครบเหตุครบผลมรคแปลว่าเหตุ เจตนาของผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มันก็มีเจตนาเดียวเท่านั้นไม่มีหลายเจตนาเจตนาเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นเมื่อเจตนาเพื่อพ้ทุกข์มีกําลังมากแล้วเจตนาอื่นๆไม่สามารถที่จะมาชักจูงให้เจตนาอันนี้ไปได้ เหตุที่ไหนจึงมีเจตนาเพื่อคนทุกข์ก็เพราะเห็นภัยอย่างเต็มที่ก็เพราะได้พิจารณาอย่างเต็มที่แล้วมันไม่มีสิ่งที่จะเอื้อเพื่ออะไรพอไว้ใจได้ในวัฏ ร, รงศารอันนี้ไว้ ใ, ใจในชีวิตก็ไว้ใจไม่ได้ให้ใจเข้าแล้วไม่ออกก็ต้องสมมติถูกสมตสมติตาย เมื่อยังหายใจเข้าออกอยู่ก็ถูกสมมติที่ยังมีชีวิตยอยู่ชั่วชีวิตก็ลมหายใจเข้าออกชั่วขณะจิตก็ยังเร็วกว่านั้นอีกขณะเจตสิกที่นึกคิดที่ปรุงแต่งแสรกสัน่นมันก็ปรุงอันเก่ามันก็แต่งอันเก่า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 ก็นายใจนายธรรมที่มาเป็นคู่กับใจธรรมารุมทั้งปวงผลที่สุดก็คือนายความเข้าใจผิดของตนนายใจก็ยังใช่ใจอยู่นายธรรมก็ยังใช่ธรรมอยู่นายความเข้าใจผิดที่ยึดถือเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุคคล โลกทั้งหลายก็มาแย่งกันเป็นเจ้าประเทศนั่นประเทศนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะอุปัติอาธิอุปอา ธ, ปาธิคือกิเลสแต่ผู้ผู้จิตสูงใจสูงแล้วเขาก็ปล่อยก็วางก็เป็นธรรมดาเหมือนกันทำไมถึงมีการแย่งกันไว้ก็เพราะนึกถึงคณละบุดร้รานเห่น ถ้าถูกประเทศชาติที่ไม่ถือไม่มีบาปมีบุญเขาเายึดล้อยจมูกไปใช้แนวเีนี่ลูกกันหลานเกิดมาภายหลังก็จะเป็นทุกข์มากเพราะมันมีหนทางที่ปฏิวัติเพื่อคนทุกข์มันก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองมีรัฐบาลมีพระบรมราชามีปกครองเนื่นหนากกันไปเป็นเพึกดเผน ถ้าว่าความเห็นเป็นอันเดียวกันการแย่งกันก็ไม่มีถ้าถือศาสนาพุทธหมดการแย่งกันก็ไม่มีการแย่งาศาสนาแย่งธรรมะกันก็ไม่มก็พิจิกันบ้างแต่ว่าผู้ปฏิบัติเคร่งปฏิบัติยอนเท่านะั้นในโลกนั้นมันเป็นสงครามาศาสนานั่นเองสองครามกันในยุคใดก็สงครามาศาสนาเพราะความเห็นมันแปล ก, กันความเห็นมันเป็นาศาสนาเป็นชาติกลาศาสนา ความเห็นเข้าใจผิดพวกหนึ่งก็เข้าใจผิดแบบหนึ่งพวกหนึ่งก็เข้าใจผิดแบบหนึ่งพวกที่เข้าใจถูกสูงแล้วเขาก็ไม่ยอมไปเป็นพักพก็พวกที่เข้าใจผิดถือว่าไม่มีไม่มีบุญ ไ, ไม่มีบาปนี่ศาสนาอื่นๆมันเป็นโลกิยศ า, าสนาใชแล้วรทีนี้ศาสนาพุทธก็ไม่ยอมเขา้าเพราะถือว่าตำโต้ ถ้าถือว่าศาสนาอื่นเป็นโลกิยาศาสนาเหตุฉะนั้นจึงหวงศาสนาจึงหวงชาติจึงหวงหวพบกันไว้เพื่อลูกหลานแต่ผู้กิเลนน้อยก็ปล่อยวางเอาตนรอดที่นี่ไม่ว่าให้ตามกรรมของาศาติเสียเถิดถ้าไม่วางก็ไปไม่รอดเด็กเหมือนกันจำเป็นก็ต้องวางเหลือวิสัยเลว นอกภัยกรรมุนีนาวัตติโลกูสัลโรถเป็นไปตามกรรมพวกที่เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามโลคิยากรรมบ้างโลกุตตะกรรมบ้างเป็นไปตามกรรมที่จะสูงส่งขึ้นทวีขึ้นก็คือกรรมพระสวสดาบาลกรรมพระสกทาคามีกรรมพระอนาคามีจะสามารถถึงอรหัตผลเหลือรองนั่นก็เป็นกรรมวนกรรมเวียน เป็นพืชวนพูดเวียนเป็นเหตุเวนวนเหตุเวียนเป็นกิริยาที่วนเวียนในวัฏสงสารนานเป็นหนกบัวใต้น้ําพวกทศถือศาสนาพุทธมันก็เป็นหอกบวัวสมัยน้ําและเป็นตูมบ้างแล้วแต่ก็มียิ่งมียอดกว่ากันพวกถือศาสนาพุทธ อยู่แต่ยังลังเลอยู่แต่ยังคบศาสนาพุทธไม่แต่พวกที่ยังถือว่าอาบายวมุกทุกประเภทจะมาแก้แค่นให้ได้เช่นบัตเบอร์โบกเบีย้ยืลอการพนันชนปลากัดปลาชนไก่แข่งมา้าลานี้เ็ิต้น พวกเรานี่ก็เป็นโลกีไม่ใช่โลกุตระเป็นศาสนาโลกียังไม่เข้าถึงว่าพุทธศาสนาผู้เข้าถึงว่าพุทธศาสนาหมายถึงพระสุวรรณบันยังพวกเดียวจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาไม่หมายถึงอายุสังขารไม่หมายถึงเพศและวันนะไม่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงชาติไม่ได้หมายถึงชั้นไม่ได้หมายถึงวันละ ไม่ได้หมายถึงหนุ่มแก่หมายด้วยสติปัญญาที่เห็นธรรมเป็นประมาณพวกที่ยังหวังรวยในเรือในพาในบัตรในเบอร์พวกเรานี่เป็นโลกีศาสนาถึงจะถือศาสนาพุทธก็ตามแต่ก็ยังไม่เข้าถึง จะเป็นพระบวชกี่พรรษากว่าตามจะมีผู้นับถือลือหาโด่งดังสักเพียงไหนกว่าตามจะมีราบวันละกี่ละนัดกว่าตามก็ยังเป็นโลกียอยู่ถ้ามีความคิดความเห็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีความคิดความเห็นอย่างนั้นแม้จะบินทบ ด, ด้วยปีแค่งกว่าตามจะถือกระเบื้องขอทานถือกระบานขอ กินสเพียงไหนก็ตามาก็เป็นโลกุตละกิจโลกุตละธรรมส่วนชาติท่านวันนะราบยศไม่เป็นปัญหาอันนั้น